การมีเป้าหมายชีวิตมีอิทธิพลอย่างแรงกับการก่อกรรมกรรมใดเกิดขึ้นซ้าๆอย่างต่อเนื่องกรรมนั้นเรียกว่าอาจินตกรรมศา ส, สนาพุทธสนับสนุนการมีเป้าหมายชีวิตเช่นให้ถามตัวเองว่าวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่ถ้าเป็นพ่อค้าท่านก็ให้ฉลาดเรื่องค้าขาย ถ้าเป็นพระท่านก็ให้เร่งความเพียรเพื่อทำมรรคผลให้แจ้งหรือถ้าแม้เป็นโจรท่านก็สอนว่าอย่าเอาหมดเป็นต้นหมายเหตุผู้อ่านในที่นี้คือไม่ได้สอนให้ทำชั่วนะครับเพียงแต่ว่ารู้ว่าคนคนนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ถ้าจะทำชั่วก็อย่าถล่ลึกเกินไปให้มีความดีอย่างอื่นไว้บ้าง ในเรื่องนี้ก็คล้ายกับการสอนชาวประมงที่แม้ว่ายังต้องมีอาชีพที่ทำปานาธิบาศถ้าเลิกได้ก็ดีแต่ถ้ายัางเลิกไม่ได้ก็ควรรักษาสิลข้ออื่นให้ครบและตั้งใจว่าวันหนึ่งจะต้องเลิกให้ได้เรื่องนี้ก็คล้ายกับการสอนคนเด็กเล็กก็ต้องสอนแบบหนึ่งคนที่โตแล้วเรียนรู้มามากแล้วก็ต้องสอนอีกแบบหนึ่งแต่ต้องเข้าใจจุดประสงค์นะครับว่าเป็นการสอนตามพื้นฐานจิตใจให้เหมาะกับระดับที่เขาพอจะทําได้ในขณะนั้น และเมื่อความดีด้านอื่นมากพอในที่สุดจะค่อยๆเห็นเองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นควรจะทำต่อไปหรือไม่หรือเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายกับคนติดยาที่บางคนสามารถหักดิบได้บางคนก็ต้องค่อยๆลดในบางรายนั้นถ้าหักดิบก็อาจถึงเจ็บป่วยหรือตายได้จึงต้องค่อยลดปริมาณยาและบำรุงร่างกายด้านอื่นจนในที่สุดก็จะค่อยๆเลิกได้ไปเองและจะมีการใช้เวลาในการเลิกแตกต่างกันไป จะเห็นได้ว่าคำสอนในทางศาสนาพุทธนั้นท่านสอนยักเยืงไปตามจริตตามปัญญาของแต่ละบุคคลนะครับกรรมใดเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องกรรมนั้นเรียกว่าอาจินณกรรมศา ส, สนาพุทธสนับสนุนการมีเป้าหมายชีวิตเช่นให้ถามตัวเองว่าวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่ เมื่อมีเป้าหมายชีวิตจริงๆคุณจะเห็นเด่นชัดว่าอะไรสําคัญกับคุณแบบที่คุณให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นก่อนเพื่อนคุณจะพบตัวเองเข้าขายอย่างใดอย่างหนึ่งคืออยู่ในทางของการเบียดเบียนมนุษย์หรืออยู่ในทางของการเบียดเบียนสัตว์หรืออยู่ในทางเลิกเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเช่นถ้าชื่อเสียงเงินทองสําคัญอันดับหนึ่งไม่ว่าจะต้องเบียดเบียนชีวิตอื่นเพียงใดใจก็โอเคหมด เห็นเป็นเรื่องต้องทำหมดแต่หากเห็นเส้นทางไม่เบียดเบียนสำคัญกว่าอยากได้ใจที่สบายไม่เดือดร้อนเป็นอันดับหนึ่งแม้ใครหยิบยื่นข้อเสนอเป็นเลขหหลักเจดหลักหรือกระทั่ง8ดหลักอย่างไรคุณก็จะไม่สนหรือสนแต่หักห้ามใจไว้แล้วการไม่มีเป้าหมายชีวิตอยู่เลยบอกตัวเองว่าขออยู่ไปวันๆไม่คิดมาก ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่าแบบนี้มีอิทธิพลกับเส้นทางกรรมบ้างหรือเปล่าเครื่องหมายของการอยู่ไปวันๆแบบไม่เอาอะไรมากกับชีวิตคือจิตที่สัดสายพร่ามัวไรโฟกัสคือมีแนวโน้มจะฟุ้งซ่านได้ตลอดไรทิศทางคือสูมเสียงกับการถูกคลื่นซัดไปเรื่อยไรที่ตั้งคือไม่มีสิ่งใดบอกได้ว่า ชีวิตมาถึงไหนแล้วเมื่อขาดเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนคุณจะเอาแน่เอานอนอะไรกับตัวเองไม่ได้บางวันอาจฝืนใจเบียดเบียนมนุษย์บางวันอาจจำใจเบียดเบียนสัตว์บางวันอาจอยากทำตัวไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยและเมื่อไร้เป้าหมายชีวิตชนิดรู้สึกว่าสายเกินแก้คุณจะไม่รู้เลยว่าอะไรสำคัญที่สุดเงินไม่อยากได้ ความรักไม่อยากเอาสวรรค์ก็ไม่หวังนิพพานก็ไม่ไปขอให้ผ่านไปวันๆได้นอนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยก็พอใจแล้วแบบนี้ถ้าทำความรู้สึกเข้ามาในตนดีๆจะพบว่าคุณเหมือนปลาพร้อมฮุบเหยือ่อคือถ้ามีเหยื่อแบบไหนยื่นมาล่อให้น้ำลายไหลามากพอก็ฮุบทันทีแบบไม่สนผลลับที่จะตามมาหรือแม้เป็นกังวลกับผลลั์อยู่บ้าง ก็ไม่ทราบจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปห้ามใจสรุปแล้วการไร้เป้าหมายชีวิตก็ก่อให้เกิดเส้นทางกรรมอยู่ดีเป็นเส้นทางแบบสุ่มแบบเสี่ยงแม้เฝ้าบอกตัวเองว่าฉันอยู่ของฉันอย่างนี้ไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครแต่ในความเป็นจริงมักมีบางวันในชีวิตที่เกิดสิ่งกระทบเป็นเครื่องล่อใจให้โลภมากบ้างเครื่องยัวยุให้โรกรธเกลียวบ้าง เรื่องมอมเมาให้หลงตัวบ้างซึ่งคนจะรู้สึกเลยว่าตัวเองไร้ภูมิคุ้มกันไม่มีหลักประกันใดๆไปต้านทานเครื่องกระทบเลย